จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาศกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันที่สามีนาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันเสาร์ขึ้น15บ้าค่ำเดือนสเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันที่มีเหตุการณ์ที่มหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในพุทธสมัยในสมัยที่พระบรมศ า, าสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระชนชีพยอยู่คือมีพระภิกษุสงฆ์ 1,250 รูป ได้มาจากทุกสารทิศมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้มีการนัดหมายมาก่อนต่างคนต่างมาด้วยจิตใจที่มีความศรัทธามีความเคารพมีความเรื่มใสมีความรักในพระปรณนิศาสดาและในบรรดาพระภิกษุสงฆ์ทั้ง1250รูป ที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันนั้นก็ล้วนเป็นพระอาหารหันตสาบุทั้งสิน้นคือเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติเสร็จภารกิจทางด้านของพระพุทธศาสนาแล้วได้กำจัดชำระจิตใจจนสะอาดบริสุทธิ์หมดจดหมดสิ้นจากความโลภความโกรธความหลงสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเป็น เป้าหมายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินไปถึงและได้ประกาศให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันไปถึงผู้ใดไ ด, ได้ได้ปฏิบัติจนถึงขั้นเป็นพระอาหารหันต์แล้วผู้นั้นก็ถือว่าหมดทุกข์หมดภัยหมดความเศร้าโศกในจิตใจจะไม่มีความทุกข์อะไรทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นความแก่ก็ดีความเจ็บไข้ก็ดีความตายก็ดีการพัดพรากจากกันก็ดีจะไม่ได้มีความไม่เกิดความทุกข์ความทุกข์เหล่านี้จะไม่สามารถเข้าไปอยู่ในจิตใจของพระอรหันต์ทั้งหลายได้นอกจากเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นพระเอหิอหพิขุคือเป็นพระที่ พระบรมศาสดาเป็นผู้อุปสมบทให้เป็นผู้บวชให้ในสมัยแรกๆนั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทำการบวชพระให้ใครมีจิตศรัทธาอยากจะบวชก็ต้องไปกราบขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้แต่ต่อมาในระยะหลังๆ เนื่องจากมีผู้มีจิตศรัทธามากเป็นจํานวนแสนเป็นจํานวนล้านไม่สามารถที่จะให้พระพุทธเจ้าบวชให้ได้ทุกคนจึงได้มอบให้กับสง์เป็นตัวแทนในการบวชอย่างเช่นในการบวชสมัยนี้ก็ต้องมีพระภิกษุสงฆ์สิบรูปขึ้นไปทําการบวชแต่ภาพภิกษุสงฆ์ที่ได้มากราบ ได้เข้ามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันนั้นล้วนเป็นพระที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้ทั้งสิน้นนี่คือเหตุการณ์ที่มหัศจรรย์มีอยู่สประการสประการแรกก็คือมาด้วยมาโดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อน 2. ผู้ที่มาก็ล้วนเป็นพระอาหารหันต์ทั้งสิน้นสเป็นเอหิภิกขุ เป็นพระที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บวชให้และสเหตุการณ์สาคัญในวันนั้นก็คือพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงหัวใจของพระศาสนาหัวใจของพระธรรมคำสอนไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามเมื่อได้มาตรัสรู้และประกาศคำสอนแล้วก็จะประกาศหัวใจของศาสนานี้ด้วยกันทั้สิน้น หัวใจของศาสนานี้ก็มีข้อสำคัญอยู่3ข้อด้วยกันคือ 1. สัพปปาปัสสะอากะรังคือการละเว้นจากการทำบาปทั้งปวง 2. กุศลสู้ประสังปทาการทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและสาสัจจิตะประริโยดะปะนัง การชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจนี่คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะเป็นองค์ไหนก็ตามที่ได้มาประกาศสอนแล้วในอดีตอันยาวนานมาหรือที่จะมาตัสรู้ในภายภาคหน้า ก็จะสอนเหมือนกันทั้งสิ้นเพราะคำสอนนี้เป็นเหตุที่จะนำสัตว์โลกให้ไปสู่ความสุขความเจริญนำพาสุนโลกสัตว์โลกให้แค็้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเพราะสัตว์โลกทั้งหลายตั้งแต่เท้ามาหาพรหมลงมาจนถึงสัตว์นรกก็ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้น คือกฎของเหตุและผลกฎแห่งกรรมก็คือการกระทําเหตุก็คือการกระทําเมื่อทําแล้วผลก็คือความสุขความทุกขความเจริญความเสื่อมก็จะตามมาไม่ยกเว้นใครทั้งสิ้นถ้าทําเหตุที่ดีดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทําทั้งสามประการก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุด ถ้ายัางไม่ได้เป็นก็จะได้เป็นเทพเป็นพรหมเป็นมนุษย์อยู่ไปก่อนจนกว่าสามารถจะทำภารกิจให้ครบถ้วนบริบูรณ์เสร็จสิ้นได้ก็จะได้กลายเป็นพระอาหารหันต์ได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแต่ถ้ายัางไม่ได้ถึงขั้นพระอาหารหันต์ก็จะเวียนว่ายอยู่ในภพที่ดีอยู่ในสุขติ เกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างแล้วก็ในที่สุดก็จะได้ไปเป็นพระอาหารหันต์เมื่อเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปได้ไปอยู่ในพระนิพพานอันเป็นดินแดนที่มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญโดยถ่ายเดียวปราศจากความทุกข์ต่างๆนี่คือที่อยู่ที่ไป ของสัตว์โลกทั้งหลายที่บางเพนปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ด้วยสักกันสามประการก็คือละการกระทาบาป ท, ทั้งหลายเช่นวันนี้พวกเราก็ได้มาละบาปกันด้วยการสมาทานศีลเมื่อกี้เราได้สมาทานศีลห้าคือเราตั้งใจว่าวันนี้ เราจะละเว้นจากการค่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดะเวนีละเว้นจากการพูดปดมดเท็ดและละเว้นจากการเสพสรายาเมานี่คือการกระทำที่จะป้องกันไม่ให้เราตกไปสู่ที่ต่ง้งไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเป็นเปรตเป็นผี นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพวกเราให้รักษากันไว้ให้ได้คือศีลห้าว่าเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่เช่นนั้นก็ได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมได้เป็นพระอาหารหันต์ในลําดับต่อไปแต่ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่รักษาศีลห้ากันที่ไปของผู้ที่ไม่รักษาศีลห้าก็คือ อบายทั้งสี่คือเดลฉานเปรตอสุรกายและสัตว์นรกนั่นคือที่ไปที่เป็นของผู้ที่ไม่รักษาศีลห้าเป็นหลักตายตัวจะเชื่อหรือไม่ก็ตามเชื่อไม่เชื่อไม่สำคัญถ้าทำไปแล้วต้องได้รับผลอย่างแน่นอนถ้าไม่ทำาก็จะไม่ได้รับผลแต่เชื่อไว้จะดีกว่า เชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้มาโกหกหลอกลวงใครคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคำล้วนเป็นความจริงทั้งสิน้นไม่มีใครที่ปฏิบัติแล้วจะมาทักว่าเป็นคำสอนที่ไม่ตรงกับความจริงไม่มีพระอรหันต์ทุกรูปล้วนรับรองคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสิน้น ว่าเป็นคำสอนที่เป็นความจริงผู้ใดสามารถปฏิบัติตามได้ผู้นั้นก็จะได้รับผลที่ดีได้เจริญได้ความสุขได้พ้นทุกเนี่ยดังนั้นหน้าที่ของพวกเราจึงไม่ได้อยู่เพียงแต่ที่เชื่ออย่างเดียวเชื่อเป็นจุดเริ่มต้นเราต้องเชื่อในเริ่มต้นในจุดเริ่มต้นก่อนว่า สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราในวันนี้สอนให้เราละบาปให้ทำบุญให้ทำแต่ความดีให้ชำระจิตใจคือกาจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจให้ได้ถ้าเราทำได้แล้วผลที่ดีก็จะตามมาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตคนที่ไม่ไปทำบาปทำกรรม อยู่ในโลกนี้ก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่มีใครมาทำร้ายแต่คนที่ไปทำร้ายผู้อื่นไปฆ่าผู้อื่นในที่สุดก็มักจะถูกเขาฆ่าตายไปถ้าไปลักทรัพย์ของผู้อื่นก็ต้องถูกจับไปเข้าคุกเข้ า, ขาตารางไปประพฤติผิดประเวณีก็จะมีปัญหากับผู้อื่นจะต้องมีการต่อสู้มีการ ทำลายกันถ้าไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นก็จะไม่สามารถอยู่ในสังคมกับผู้อื่นได้เพราะจะไม่มีใครเขาเชื่อในสิ่งที่เราพูดเพราะคำพูดของเราไม่มีสัจจะไม่มีความจริงถ้าเสพสุรายาเมาเป็นนิจก็จะเป็นคนเกเรเป็นคนเละเทะเป็นคนที่ไม่เรียบร้อย เป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเราเห็นได้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันและเมื่อตายไปเราไม่เห็นกันแต่พระพุทธเจ้าเห็นก็คือจะต้องไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างขึ้นอยู่กับ บาปกรรมที่ทำไว้ว่ามีมากน้อยเพียงไรมีหนักมากเพียงไรเพราะบาปกรรมนั้นมีกำลังมีน้ำหนักต่างกันเหมือนกับเงินมีค่าหลายระดับด้วยกันมีแบงก์สิบก็มีแบงก์ร้อยก็มีแบง์ห้าร้อยก็มีแบงก์พันก็มี แ, มแตก็เป็นเงินเหมือนกันแต่มีคุณค่าต่างกัน อันใดการทำบาปทำกรรมก็มีน้ำหนักต่างกันไปเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นยิงนกตกปลาก็มีบาก็บาปไม่หนักเท่ากับการฆ่ามนุษย์ฆ่ามนุษย์ด้วยกันถ้าเป็นฆ่าคนอื่นก็ไม่หนักเท่ากับการฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือฆ่าพระ อ, อรหันต์บาปกรรมมีน้ำหนักแตกต่างกันแต่บาปกรรมเหล่านี้ เมื่อทําแล้วเมื่อได้ไปใช้กรรมแล้วก็มีวันหมดได้เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าเมื่อทําบาปทํากรรมไปตกนรกแล้วจะอยู่ในนรกไปตลอดเมื่ออยู่ในนรกจนหมดกรรมแล้วก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่อีกหรือถ้าได้ทําบุญแล้วได้ไปเกิดเป็นเทวดาได้เกิดเป็นพรหมพระพรหม ก็มีเสื่อเหมือนกันเมื่อหมดบุญแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกกลับมาเกิดมนุษย์ก็จะมาเจอพระพุทธศาสนาที่จะสอนให้เราละบาปทำดีชำระความโลภความโกรธความหลงอีกชีวิตของเราก็จเวียนว่ายไปแบบนี้อยู่เรื่อยๆขึ้นๆลงๆถ้าเราทำบาปเราก็ไปใช้กรรมในอบายพอพ้นจากกรรมแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าทำความดีก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็วนไปเวียนมาอย่างนี้แต่จะไม่มีการสิ้นสุดถ้าไม่ได้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะความไม่บริสุทธิ์คือความโลภความโกรธความหลงเป็นเหตุที่พาให้ใจของเราต้องไปเกิดใหม่ถ้าเราไม่อยากจะไปเกิดใหม่ไม่อยากจะต้องไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆ เช่นเวลาเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายต้องพัดพรากจากกันถ้าเราไม่อยากที่จะทุกขกับสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องพยายามหักห้ามหยุดยั้งจิตใจของเราไม่ให้ไปเกิดใหม่ให้ได้และวิธีที่จะทำไม่ให้ไปเกิดใหม่ก็ต้องชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจ เวลาโลภ ก, ก็อย่าไปทำอย่าไปโลภตามเช่นอยากจะได้อะไรที่มันไม่จำเป็นคือไม่ได้ไม่มีก็ไม่ตายก็อย่าไปเอามาอย่าไปโลภตามเวลากโกรธก็ให้พยายามระ ง, งับดับด้วยการให้อภัยไม่จองเวรกันใครทำอะไรให้เรากโกรธก็คิดเสียว่าเขาทำไปแล้วโกรธไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ไม่ได้ไปล้มสิ่งที่เขาทำไป ว้ยเมื่อกีนี้เขาทําไปแล้วก็แล้วกันไปถ้าเรามีสติเราไม่โกรธเราก็จะสบายถ้าเราโกรธเราก็จะวุ่นวายใจแล้วเราอาจจะไปทําในสิ่งที่เสียหายขึ้นมาทําให้เรากลายเป็นยักษ์เป็นมารไปแต่ถ้าเราไม่โกรธเราก็จะกลายเป็นพระไปพระและมาร น, นี้ก็อยู่ตรงที่โกรธหรือไม่โกรดนี้เอง เวลาโกรธก็จะกลายเป็นยักษ์เป็นมารไปเวลาไม่โกรธก็กลายเป็นพระเป็นเทพเป็นพรหมไปเราอยากจะเป็นอะไรก็ต้องเฝ้าดูที่ใจของเราและพยายามกำจัดสิ่งที่จะทำให้เราเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่มีใครอยากจะเป็นยักษ์เป็นมารไม่มีใครอยากจะเป็นเดรัจฉานกันถ้าไม่อยากก็ต้องรู้จักระงับความโลภความโกรธความหลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลงที่เป็นต้นเหตุของความโลภและความความโกรธเราหลงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราหลงเราอยากได้นั้นมันไม่มีคุณค่าอะไรเราคิดว่ามันเป็นเพชรนินจินดาแต่ความจริงมันเป็นก้อนอิดก้อนกวดก้อนทรายเพราะเราตาเรามืดบอดเราไม่มีปัญญามองเห็นสิ่งที่มีทุกว่าเป็นสุข มองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงแท้แน่นอนมองเห็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราเป็นของของเราเมื่อเรามีความหลงเราก็มีความโลภความอยากความยึดมั่นถือมั่นแล้วเมื่อเราไม่ได้ดังใจเราก็จะโกรธเกิดความโกรธขึ้นมาเวลาเราอยากจะได้อะไรแล้วมีใครมาแย่งสิ่งที่เราอยากได้ไปก่อนเราก็จะต้องโกรธคนที่เขาแย่งเราไป แต่ถ้าเราไม่โลภเพราะเรารู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับเราที่จะเป็นของเราได้อย่างแท้จริงที่จะอยู่กับเราได้ไปตลอดมีแต่จะให้ความทุกข์กับเราเมื่อมันพัดพรากจากเราไปถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะไม่โลภไม่อยากจะได้อะไรเมื่อเราไม่อยากจะได้อะไรเราก็จะไม่มีความโกรธเพราะไม่รู้ไม่มีใครมาทำให้เราโกรธได้นั่นเอง เพราะใครจะทำอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ต้องการอะไรจากใครทั้งสิ้นนี่คือการชําระความโลภความโกรธด้วยการชําระความหลงด้วยการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นสอนตัวเราเองว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราอย่างแท้จริงไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีอะไรจะให้ความสุขกับเราได้ นีแต่จะให้ความทุกข์กับเราเมื่อต้องพัดพากจากกันเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วสู้อย่าไปมีอะไรดีกว่าถ้ามีก็ต้องรู้จักปล่อยวางเตรียมตัวเตรียมใจว่าสักวันหนึ่งจะต้องแยกกันไปจะต้องจากกันไปถ้าเตรียมตัวเตรียมใจรู้ล่วงหน้าไว้แล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องจากกันก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนอะไรไปเดือดร้อนไปทุกข์ก็ไม่ได้ไปแก้ ไม่ให้มันเกิดขึ้นได้เมื่อถึงเวลาจะต้องตายจากกันก็ต้องตายจากกันจะทุกหรือไม่ทุกก็ต้องตายจากกันเหมือนกันแต่คนที่ไม่ทุกนั้นเป็นคนที่ฉลาดเพราะสบายแต่คนที่ทุกนี้เป็นคนโง่ต้องแบกความทุกข์เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะไม่สร้างปัญญามาทาลายความหลงนั่นเองนี่คือการกาจัด ความโลภความโกรธความหลงในจิตในใจเพื่อจะทำให้เราไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดแล้วจิตของเราก็จะกลายเป็นจิตของเหมือนกับของพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์เป็นสาวกหรือเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นอยู่กับเวลาที่เราชําละถ้าเราชําระในสมัยที่ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราชําละด้วยตัวของเราเอง สอนตัวเราเองเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าของเราทรงสอนตัวของท่านเองชําละใจของท่านเองโดยไม่มีใครสั่งสอนท่านก็จะบรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ถ้าในสมัยที่มีคำสอนเช่นในสมัยนี้ถ้ามีคำสอนสอนให้เราชําละความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจแล้วเราเชื่อนำเอาไปชําระนาเอาไปปฏิบัติจนจิตของเราสะอาดบริสุทธ จิตของเราก็จะกลายเป็นพระอารหันต์ซึ่งเหมือนกันกับของพ่อพุทธเจ้าคือเป็นความบริสุทธิ์เท่ากันถ้าเป็นเสื้อผ้าที่เอาไปซักก็จะสะอาดเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของใครก็ตามที่ต่างแต่ชื่อต่างแต่ฐานะต่างที่สมมุติเท่านั้นเองแต่ความบริสุทธิ์ของจิตใจเหมือนกันไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเหมือนกันนี่คือความสาคัญของวันมาฆาปูชา เพราะทุกครั้งที่วันนี้มาถึงเราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่จะนำพาให้เราไปสู่ความสุขและความเจริญสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงจึงอยากจะให้ท่านน้อมเอาพระธรรมคำสอนอันประเสริฐทั้งสารประการนี้นำไปปฏิบัติคือละเว้นจากการทำบาปทั้งปวง สองทำกุศลทำบุญทั้งหลายให้ถึงพรองสามชำระจิตใจกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจให้ได้แล้วสิ่งที่ดีที่งามสิ่งที่สุขที่จเจริญก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งเหล่านี้ไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุนภาษีรัตนตรัยมีกองพุพทธัฒนประสงค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปก ป, ป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายแค็วแกรางปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ความสุข ความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเธอ